ติปฏิสนธิผหาเกิดที่อื่นอีกแต่ส่วนร่างกายเนี่แตกตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเอาไปเผาไฟทิ้งแน่แต่นามธรรมาจุดนั้นน่ะมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าให้ความสนใจหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยุคของเราตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตาที่ครูบาอาจารย์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 กัโชเฟอร์นั่นแหละเป็นผู้รับผลแห่งกรรมหรือการกระทําของตนเองแต่ส่วนร่างกายนั่นก็ เ, เป็นเรือนร่างเท่านั้นเองแต่ตัวที่รับเต็มๆก็คือจิตใจ เ, เพราะฉะนั้นเวลาเราทํากรรมดีหรือกรรมชั่วจิตใจของเรานั่นแหละเป็นผู้รับร้อยเปอร์เซนเมื่อเราทํากรรมดีกรรมดีก็จะเข้าสู่จิตใจดวงนั้น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 สรบแล้วตายแล้วไม่สูญทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความชั่วอย่าทำเสะเลยดีกว่าเพราะความชั่วกำชั่วเมื่อทำแล้วกำชั่วให้ผลตนนั่นแหลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้หลักทาคําสอนของพระพุทธศาสน า, านนวันนั้นวันนี้หลวงพ่อได้นำทำคําสอนมาแนะนำ